สภพกาลังมหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารพระอาทิตย์แผดแสงกล้าเป็นนิจจะได้อ่อนในบางคราวกล้าในบางคราวครั้งหาไม่ได้บพิษจงทราบในพระทัยด้วยประการชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ขัตติยาที่ปดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสถามต่อไปอีกว่ายะธิพันเตนาคเสนะ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 สุริยะโรคะภาวะปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้